คำถามที่อาตมานะถูกถามบ่อยแล้วก็คงอยู่ในความสงสัยนะของหลายคนก็คือว่าจะปฏิบัติธรรมเวลาเวลาไหนดีจะปฏิบัติธรรมที่ไหนดนะีหรือบางคนก็ จ, จะบอกว่าปฏิบัติธรรมเวลาเวลาไหนที่ดีที่สุดปฏิบัติธรรมที่ไหนนะ จึงจะดีที่สุดหลายคนก็อาจจะนึกอยู่ในใจว่าก่อนนอนบ้างละหรือว่าเวลาตื่นนอนใหม่ๆบ้างละนะส่วนสถานที่บางก็ว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยดีบางคนก็ว่าต้องปฏิบัติธรรมที่บ้านนะเพราะว่ามันมีสิ่งกระทบเยอะ จริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติทําเวลาไหนที่ดีที่สุดนะก็คือตอนนี้แหละนะตอนนี้แหละคือเวลาปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมดีที่สุดถ้าไปรอเอาก่อนนอนนะอันนั้นเป็นเรื่องอนาคต อยู่บ้านแต่บอกว่าปฏิบัติธรรมที่วัดดีที่สุดเนี่ยนะมันก็ทําให้มีข้ออ้างว่าต้องไปวัดก่อนนะถึงจะปฏิบัติธรรมได้เวลาที่เหมาะที่สุดสระการปฏิบัติก็คือตอนนี้สถานที่ที่ปฏิบัติธรรมดีที่สุดก็คือตรงนี้แหละทําเดี๋ยวนี้นะทําตอนนี้ทําตรงนี้เลยอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยนะอ่า ก็ปฏิบัติทำด้วยการฟังธรรมฟังธรรมอย่างมีสตินะระหว่างที่ฟังธรรมใจมันอาจจะหลุดลอยไปก็รู้ตัวเมื่อไหร่ดึงกลับมาอยู่กับการฟังธรรมหรือจะไม่ฟังธรรมก็ได้นะเช่นอาจจะ ก, กำลังยกมือสร้างจังหวะก็ให้มีสติรู้อยู่กับการยกมืออาจจะต้องเริ่มตั้จแต ก, การทำทีละอย่างนะ ฟังก็ฟังยกมือก็ยกมือนะอันนี้ก็เรียกว่าทำให้ใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่ในครัวก็ควรใช้เวลาที่อยู่ในครัวตรงนั้นแหละนะปฏิบัติทมก็คือมีสตินะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นเวลาไหนนะมันก็เป็นการปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นนอนสลัดความง่วงออกไปทำความรู้สึกตัวขณะที่ลุกขึ้นเก็บที่นอนเดินไปล้างหน้าถูฟัน นะก็ให้มีความรู้สึกตัวมีสติไม่ว่าปัจจุบันนะทำอะไรเนี่ยนะก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งพวกเราเนี่ยได้ฝึกนะให้รู้กายเวลากายมันทำอะไรนะก็ให้รู้นะเวลายกมือ ไม่ว่ายกมือทำอะไรไม่ใช่แค่ยกมือสร้างจังหวะยกมือล้างหน้ายกมือตักอาหารหรือว่ายกมือตักขันน้ำเนี่ยเพื่ออาบน้ำระหว่างกายทำอะไรเนี่ยใจก็รับรู้เี่ที่เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหว แต่เวลาเรานั่งนิ่งๆ น, นะมันจะมีบางช่วงที่เราจะนั่งนิ่งๆ่เช่นกําลังอุจจระนะเราก็อาจจะขยับนิ้วขยับมือครึงนิ้วนะหรือว่าตามลมหายใจนะมันมีการเคลื่อนไหวของกายลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกหรือว่านิ้วที่ขยับไปมาอ่านั่นก็ปฏิบัติได้ละนะ แม้จะนั่งแต่ก็ไม่นั่งเฉยๆนะแล้วก็จะเรียกว่ากำหนดก็ได้หรือว่ามารับรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่มันเคลื่อนไหวนะหรือว่าสร้างจงใจสร้างอิรียบทน้อยๆขึ้นมาเช่นครึงนิ้วกระดิกนิ้วนะเวลาทำอะไรเนี่ยนะ ใจก็รับรู้นะไม่ใช่ว่ากายทำแต่ว่าใจไปไหนก็ไม่รู้กายยกมือกายกาลังอาบน้ำแต่ว่าใจไปอยู่ที่บ้านนะไปอยู่ที่ทำางานนะอันนั้นก็ไม่ใช่ละเวลาวางของเนี่ยก็ให้วางด้วยความมัสึกตัว สังเกตไม่เวลาระวังของเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราทำไปตามความเคยชินหรือว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวอาจจะกำลังนะนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงรถนะที่ยังไม่ได้ล้างไอตอนที่วางแล้วก็นึกโน่นนึกนี่นะมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเวลาจะ เวลาจะใช้ของนั้นเนี่ยเช่นปากกาว่นตาโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าเงินหรือว่ากุญแจหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหนอันนี้เรียกว่าวางของเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไม่มีสติ ไอ้ตรงนั้นแหละที่เราว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะไม่ว่าหยิบจับอะไรหรือว่าวางของอะไรเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วแหละคือมีสติทำอะไรก็แม้จะเล็กน้อยก็ทำด้วยความรู้สึกตัวการโดการเวลาเราเจออะไรเนี่ยนะเราเจออะไรไม่ว่าจะได้ยินเสียง เจอผู้คนหรือเจอเหตุการณ์ต่างๆได้ฟังได้ยินเรื่องราวข้อมูลข่าวสารก็ปฏิบัติทำได้ด้วยการมีสติเพราะว่าตอนที่เจอเนี่ยนะไม่ว่าตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันจะเกิดการกระเพื่อมของใจส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเช่นดีใจเสียใจ นะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์นะมันจะมีอาการที่เกิดขึ้นกับใจอยู่เสมอทุกครั้งที่เราเจออะไรก็ตามซึ่งภาษาพระเรียกว่าเกิดผัสสนะไม่ว่าเะเจออะไรเนี่ยนะตรงนั้นแหละตอนนั้นแหละ คือการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นโอกาสการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยเขาจะเป็นการบ้านนะเพื่อมาให้เราได้ฝึกปฏิบัติปฏิบัติอย่างแรกคือการเจริญสติก็คือรู้ใจที่มันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงรู้ใจที่มันยินยินดียินร้ายรวมทั้งรู้เวทนาสุขหรือทุกนะร้อนหนาวนะหรือว่าเมื่อย ผ่อนคลายลเคยใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาเป็นแบบฝึกขัดในการปฏิบัติธรรมเป็นการบ้านในการเจริญสติหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันมากำหนดนะมาปรุงแต่งหรือว่ามาคร่อม ง, งำจิตใจเราเจอเสียงดังก็ทุกข์เจอรถติดก็ทุกข์ เจอใครนินทาก็ทุกโกโรธโมโหเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติในขณะที่มันเกิดผัสสะเราก็เลยตกเป็นทาตของสิ่งแวดล้อมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรวมทั้งธรรมอารมณ์หรือความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยคนทุกวันนี้เนี่ยตกเป็นทาตของสิ่งแวดล้อมภายนอก นะขึ้นลงสุขทุกขนะ์ไปตามอำนาจของมันก็เพราะว่าการที่เราไม่ปฏิบัติในขณะที่มันเกิดผัสสะหรือขณะที่เราเจอนั่นเจอนีนะ่คนเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยนะจริงๆแล้วมันทําแค่สองมันมีแค่สองอย่างเกิดขึ้นคือหนึ่งทำสองเจอทำเนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องที่เราเจตนา นะเช่นอาบน้ำเช่นกินข้าวนะหรือว่าพูดคุยยี่ได้บทน้อยใหญ่ก็เป็นเรื่องทรรทั้งนั้นแหละนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะคู่ขาเหยียดขาเหลวซ้ายและขวากินดื่นเคี้ยวริมใส่เสื้อผ้าคล้องจีวรสภายบาทอุจลปัสสาวะ ยืนเดินนั่งหลับตาลืมตาพูดนิ่งนี่เรียกว่ารมทั้งนั้นแหละนะเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยขับรถตักน้ำมันใช้กายในการทำก็เจริญสติไปคือมีสติรู้มีความรู้สึกตัว น, นี่เรียก ง, ง่ายว่า รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะกิจเนี้ยที่คือกิจการงานนะเรียบบทน้อยใหญ่ตอนนี้พอเจออะไรเนี้ยนะอ่าใจกระเพื่อมใจมันฟุ้งปรุงแต่งก็รู้ใจยินดียินร้าก็รู้นะี้ก็สรุปว่าเนี้ยเห็นใจคิดนึกนะเมื่อเจอหรือเมื่อเกิดผัสสะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะรู้ใจคิดนึก นะเมื่อเกิดผัสสะหรือว่ารู้ใจคิดนึกเมื่อเจ อ, น, น, เจอ น, นั่นเจอนี่อันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างแรกเลยที่เราควรจะทำแน่ใจแน่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่นะมันถ้าเราเข้าใจว่ามันทำได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้นะแม้ว่าเราทำไาแล้วเราเจออะไรนี่เอามันปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้น ปฏิบัติธรรมตอนที่ทํานัน่นทํานี่เนี่ยจะไม่ยากเท่ากับตอนเจอนั่นเจอนี้เพราะว่าเวลาเราทําเนี่ยเราเจตนาทำแต่ไอ้เจอเนี่ยนะบางทีเราไม่อยากจะเจอมาต้องเจอเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาทําเนี่ยเราเรามักจะทําในสิ่งที่เราชอบทําสิ่งที่เราคุ้นแต่เวลาเจอเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะนะเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เยอะ ตรงนั้นแหละนะั่นที่เป็นเวลาสระการปฏิบัติธรรมนอกจากการเจริญสติรู้นะเวลาใจคิดนึกอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็รวมไปถึงว่านะการรู้จักนะวางใจเวลาเกิดอะไรขึ้นด้วยเช่นเวลาเราเจอคนแก่เจอคนเจ็บคนป่วยหรือว่าเจอคนที่เป็นมะเร็งนะ เราก็ใช้โอกาสนี้เป็นการเตือนใจเราในด้านนี้ก็บอกเราว่าเออเราโชคดีนะที่เรายังไม่เป็นอย่างเขานะเราโชคดีที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งเหมือนอย่างเขาอันนี้มีประโยชน์นะสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเรานี่มันมีข้อ ก, กรรมเยอะเหลือเกินทำไมชีวิตเรามันลำบากแบบนี้ทำไมชีวิตเรามันมันยุ่งยากนะมีอุปรสรรคมากมาย มีความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตไอการที่เราตระหนักว่าเราโชคดีนะที่เรายังไม่เป็นเหมือนอย่างเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิการหรือเป็นมะเร็งเนี่ยมันทําให้เรากลับมามองชีวราว่าเนี่ยเรายังนะมีโชคอีกมากมายแต่ถ้าไม่พอนะต้องเตือนใจด้วยเออวันนี้เราไม่เป็นก็จริงนะแต่วันหน้าอาจจะถึงคราวเรา คนเหล่านี้เข้ามาเตือนว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็า จ, จะเป็นมะเร็งสักวันหนึ่งเราก็า จ, จะ เ, เป็นโรคร้ายพิกลพิการเหมือนเขาเมื่อเตือนใจแบบนี้แล้วเนี่ยก็ถามต่อไปว่าแล้วเราพร้อมหรือยังเราเตรียมอะไรมาบ้างหรือเปล่าหากว่าเราต้องเจอหรือเป็นแบบเขาอะคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบนี้นะ ไม่ได้คิดว่าเนี่ยคนเหล่านี้เข้ามาเป็นครูเตือนเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเขาถ้าเราคิดแบบนี้ซะบ้างอย่างนี้เราเป็นการปฏิบัติธรรมนะก็คืออาศัยคนที่เราเจอเนี่แหละเป็นครูเตือนให้เราไม่ประมาทนะในความสุขในสุขภาพที่มีอยู่เตือนว่าสักวันหนึ่งมันก็อาจจะหายไปแปรเปลี่ยนไปไอสุขภาพ กลายเป็นความเจ็บป่วยและมันจะกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทถ้าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะป่วยหรือทําใจอย่างเขาเราก็จะได้อ่าฝึกจิตฝึกใจไว้ถึงเวลาป่วยถึงเวลาเจ็บเราฝึกมาแล้วนะเรื่องการเจริญสติเรารู้จักทําใจให้เป็นปกติเรารู้จักวางเวทนานะีไม่ไปยึดติดในเวทนานั้น ไอ้ทุกขเวทนาความเจ็บปวดนี่ไม่มีใครชอบนะแต่พอเกิดขึ้นทีไรไปยึดมันทุกทีนะไปติดจอมันทุกทีนะไปแบบไปยึดว่ามันเป็นเราของเราเป็นกูของกูไม่ชอบแล้วทําไมถึงยึดนะนี่พราะไม่ได้ฝึกสตินะแต่เราจะเห็นความสําคัญของการฝึกสติได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะรู้จักคิดนะเมื่อเราเจอใครเนี่ยเราก็ใช้ คนที่เจอเนี่ยเป็นครูสอนเราว่าเนี่ยอย่าประมาทนะเตือนเราว่าเออเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีนะเพราะนั้นต้องรีบทำความดีต้องฝึกจิตฝึกใจนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันเป็นการเตือนให้เราไม่ประมาทเวลาเจอคนกินเหล้าเมายาหรือได้ข่าวว่าคนฆ่าตัวตาย ก็อย่าไปต่อว่าเขาว่าพวกนี้มันแย่นะจิตใจอ่อนแอรหรือว่ารุ่มหลงเตือนใจเราว่าเออสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะอาจจะเป็นคนขี้เล่าเมายาอย่างเขาก็ได้อาตมาก็เจอมาเยอะนะพระเนี่ยที่ตอนบวชนี่ก็ด่าผู้ที่ติดเล่านะถามว่า งโง่ยิ่งกว่าหมาเนี่ยหมานี่ระหว่างเหล้ากับขี้เนี่ยมันกินขี้นะมันไม่กินเหล้า <c oughs> ก็เทศโจมตีคนกินเหล้าแต่พอสึกไปนะะก็บางทีขายเหล้าหรือหนักกระนั้ น, นบางทีติดเหล้าติดเหล้าเ ม, มาไมเลยนะจนไม่เป็นอันธรรมะหากินเลยจนกระทั่งถูกคนเขาลังเกียจเย็ดยาม จากที่เคยยกย่องว่าเป็นพระนะเาก็ต่อมาเขาก็รังเกียจนะแล้วก็ตายอย่างคนอนาถาก็มีหรือบางทีก็ฆ่าตัวตายก็มีนะเป็นพระเนี่ยตอนเป็นพระนี่ก็นะอาถรรพนะล่าเรืองในธรรมหรือว่าสอนคนได้มากมายแต่สุดท้ายนะพอเจอชีวิตเนี่ยนะ เจอปัญหาชื้อซักระน่ำมากมายค่าตัวตายอันนี้เราจะไปมองว่าเขาอ่อนแอนะแต่ให้เรามองว่าเออสักวันหนึ่งหลกจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะอย่าไปอย่าไปประมาทอย่าไปดูถูกเขานะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะรวมทั้งเวลาเราได้ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อทันทีนะ เราเตือนสติหรือเราเตือนใจตัวเองเนี่ยโดยใช้หลักการมาสูตรอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะมันเข้าได้กับทฤษฎีหรือความเห็นของเราคนสมัยนี้เนี่ยที่จริงก็ทุกยุคทุกสมัยนะมันจะเลือกรับแต่สิ่งที่มันถูกใจข่าวหรืออะไรที่มันถูกใจเราหรือว่ามันเป็นการตอกจ้าว่า ตอกย้ำคติของเราเราจะเชื่อง่ายเราไม่เราไม่ชอบใครเนี่ยถ้าเราได้ยินข่าวลือในทางลบเกี่ยวคนคนนั้นเนี่ยเราจะเชื่อทันทีเลยเพราะมันไปยืนยันอคติของเราทั้งที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวเท็จก็ได้ข่าวลือก็ได้หลายคนเนี่ยไม่ชอบนะพวกมุสลิมอิสลามนะพอมีข่าวลือทางลายเนี่ยว่า มุสลิมเขาเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้นี่เชื่อทันทีเลยไม่มีการตรวจสอบแลวคนที่เชื่อหลายคนก็เป็นชาวพุทธนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ใช้หลักกาลามาสูตรทันทีพูดเจ้านีสอบได้ตั้งสองพัหร้อยปีแล้วต้องใช้นะกาลามาสูตรนะทันทีที่เราใช้การามาสูตรนั่นแสดว่าเราปฏิบัติธรรมแล้ว ส่วนที่สำคัญมากเลยนะการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้กับความเห็นของเรารวมถึงมันเข้าได้หรือมันสอดคล้องกับอคติของเรานะเราเกลียดใครถ้ามันมีข่าวดีๆเกี่ยวคนนั้นนี่เราไม่ฟังเลยนะเราจะฟังแต่เราจะเชื่อแต่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเขาเวลาของเราหายเนี่ยนะ เราก็ปักใจเชื่อนะว่าเนี่ยคนทําความสะอาดในบ้านนี้หรือว่าในรีสอร์ทนี้เนี่ยเอาไปพอเราปักใจเชื่ออย่างนี้นะเวลาเราเห็นใครเนี่ยเวลาเราเห็นเขาเนี่ยไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีพิรุธไปหมดเลยแต่พอทีหลังเราพบว่าของนั้นไม่ได้หายมันแค่ตกอยู่หลังตู้เขาไม่ได้เอาไป สิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับตัวเขามันจะเปลี่ยนไปเลยนะคําพูดคำจาคุริยาท่าทางนี่จะไม่มีพิรุษนะมันเป็นอาการคนปกติคนที่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีรีรับลมคมในอะไรทจริงเขาไม่ได้เปลี่ยนท่าทีนะเขายังเหมือนเดิมแต่ว่าเราเนี่ยนะเราการมองเรามันเปลี่ยนไปตอนที่เราเชื่อเขาเป็นขโมยแล้วก็เห็นเขาทําอะไรเป็น มีพลุดไปหมดแต่พอเราลวกเขาไม่ใช่ขโมยสิ่งที่เรารับรู้มันก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเขาเขายังทําเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราต่างหากที่เปลี่ยนอันนี้เพราะเรามียคตเตมีความคิดบางอย่างอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันนะมีลักษณะอาการนะที่น่าจะเป็นไปได้หรือมี ล, ลักษณะน่าเชื่อถือ หมายความอย่างไงายกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ได้ยินไหมมีผู้ชายหนึ่งแกเลี้ยงลูกพังพรแกเลี้ยงลูกพังพรมาจนโตนะแล้วมันก็เชื่องมากเลยต่อมาผู้ชายนี้แกก็มีลูกนะลูกก็ตัวเล็กๆอย่างแบบเบาอยู่เลยมีวันหนึ่งเนี่ย พ่อแม่ก็บังเกินต้องออกไปข้างนอกประเดี๋ยวเดียวเองนะให้พี่เลี้ยงดูแลพี่เลี้ยงก็ดันออกไปนะไปไปไปรีบผ้าปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนอนอยู่คนเดียวบนพื้นอ่ะนะมันร้อนอนะ่ะเลยต้องให้นอนบนพื้นก็มีเบาะวางอยู่ก็พอดีมันมีงูงูเข้ามานะงูงูงูเห่า งูหาเข้ามาในห้องที่เด็กนอนอยู่พังพรเห็นมันก็นะมันก็สู้กับงูทันทีนะมันเชื่องเนี่ยมันก็ร่วงงูเนี่ยเป็นอันตรายต่อเด็กทารกของเจ้านายมันก็สู้กัดนะงูนี่เลือดสาดเลยเลือดมันก็กระเซ็นไปโดนเด็กนะแต่สุดท้ายเนี่ยพังพรก็ชนะนะก็ข้ามงูไปข้ามงูไปทิ้งเสร็จแล้วมันก็มานอนอยู่ข้างๆเด็ก พ่อกลับมาเนี่ยเห็นเลือดเนี่ยนะมันเต็มตัวเด็กเลยมันก็นึกว่าแล้วก็ในปากพังพรเนี่ยมันก็มีเลือดก็สรุปทันทีนะว่าพังพรเนี่ยมันกัดลูกของตัวกัดจนตายแลย้วพเด็กนิ่งๆไปเลยนะสรุปทันทีเลยนะก็เลยโกรธนะ ลากพังพรไปแล้วก็ไปฆ่าจนตายฆ่าตายคามือเลยพอฆ่าตายจริงสักพักก็พบว่าเด็กเนี่ยมันก็ตื่นเด็กไม่ตายแถมไปเจอซาก ง, งูด้วยปฏิปปต่อเรื่องได้ก็พบก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อพังพรนี่มันช่วยนะกัดงูเพื่อรักษาอ่ารักษาชีวิตของลูกเอาไว้แต่ตัวเองนี่ฆ่าพังพรที่ซื่อสัตย์ไปละเสียใจ แต่ตอนนั้นเนี่ยมันสรุปเลยนะว่าพังพรเนี่ยทําร้ายหรือฆ่าลูกของตัวเพราะอะเพราะลักษณะอาการนี่มันชวนให้สูดแบบนั้นเลือด ก, ก็เต็มเต็มเบาะก็เซนไปถูกตัวเด็กและพังพอนก็มีเลือดที่ปากนะอันนี้เพราะไม่ใช่หลักกรามรมาสูบนะก็เลยสรุปว่าพังพรฆ่าลูกของเราอันนี้เราไม่มีสตินะถ้ามีสตินะเอ่อ ถ้าปฏิบัติธรรมนะเจอแบบนี้เนี่ยมันจะไม่รีบด่วนสรุปนะจะไม่รีบด่วนสรุปอย่างน้อยก็ต้องเช็กก่อนว่า้ลูกเราตายจริงหรือเปล่าลูกเรามีแผลไหมนะถ้ามาสำรวจดูยิงไม่มีแผลเลยเรื่มมันมีแต่เลือดกระเซ็นไปถูกแค่นั้นเองนี่เรียกว่าไม่มีสตินี่เราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช่หลักการามาสูตรเวลาเห็นอะไรเนี่ยนะ ท่านก็บอกอย่าโปรงใจเชื่อเพียงเพราะอันุมานหรือเพียงเพราะเหตุผลเหตุผลนี่มันช่วยเรานะแต่บางทีมันก็ผิดนะมันมีอัตมารู้จักคนคนหนึ่งนะแกชื่ออ้วนวันหนึ่งก็เดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนถาววงเวียนใหญ่ไปกับเพื่อน พอเดินไปถึงกลางถนนกลางสะพานเนี่ยก็เห็นแบงร้อยอะแบงพันวางอยู่บนพื้นสามใบอ้วนก็ชี้ให้เพื่อนดูเนี่ยมันมีแบงวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยตกอยู่ข้างหน้าเนี่ยสามใบแต่ก็บอกว่ามันไม่ใช่แบงจริงหรอกเพราะถ้าเป็นแบงจริงคนต้องหยิบไปแล้วอันั้นวงเรียนใหญ่ใช่ไหมวเวียนใหญ่ก็ต้องมีคนเดินผ่านไปผ่านมาบนสะพานนั่นแหละถ้าเป็นแบงจริงคนต้องหยิบไปแล้ว แต่เพื่อนไม่เชื่อนะเพื่อนก็เดินนาสาวท่ไปที่แบงค์นั่นแล้วก็หยิบมาบอกว่าเป็นแบงก์จริงเนี่ยเพื่อนได้ไปสามพันนะอ้วนนี่เห็นคนแรกอดแต่เพื่อนก็ดีนะมีน้ำใจแบ่งให้อ้วนพันห้าอ้วนเนี่ยเชื่อเหตุผลนะเหตุผลของอ้วนคือว่าถ้าแบงค์จริงเนี่ยมันต้องมีคนหยิบไปลน ะ, นะเหตุผลฟังดูดีนะ แต่แล้วก็คงรู้ใช่ไหมบางบางครั้งเนี่ยไอ้คนมันก็เดินผ่านไปผ่านมามนก็ไม่เห็นแบงค์เหมือนกันคนไม่เห็นแบงค์พอจะคุยกันเพลินหรือมองไปที่ถนนข้างล่างอย่าปรงใจเชื่ อ, องเพเพราะว่ามันมีเหตุผลหรือปรงใจเชื่อเพราะการรู้มานให้เวลาเราเจออะไรเนี่ยนะไม่ว่าเจอแบงค์เจอคนเจอคนป่วยนะเจอเหตุร้ายเนี่ยนะ มันปฏิบัติทมได้ทั้งนั้นนะอย่างน้อยๆก็ไม่ด่วนสรุปใช้หลักกล า, ามาสูตรอย่างน้อยๆก็มีสติดูใจเราไปด้วยนะดูนอกแล้วก็ดูในดูนอกนี่ก็ไม่ด่วนสรุปนี่ก็เรียกว่าพอใช้หลักกล า, ามาสูตรหรือว่ารู้จักใช้เพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทนี่เรียกว่าดูนอกส่วนดูในก็เห็นใจที่มันกระเพื่อมนะ ไม่ว่าจะดูนอกดูในนี่ถ้าเราดูถูกนะหมายถึงว่าดูอย่างถูกต้องนะมันคือการปฏิบัติธรรมเพราะมันต้องใช้สติมันต้องใช้ปัญญามันต้องใช้โยนิสโสมณสิการนะนี่ยังไม่นับถึงการที่ลงไปช่วยนะลงไปทำอะไรที่มันต้องใช้ธรรมะเช่นธรรมมหากินก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องประกอบสัมมาอาชีวะจะพูดจะจาะไรก็ ก็ต้องพูดอย่างมีปียาวาจาไม่โกหกไอ้พวกนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเวลาที่ดีที่สุดคือตรงนี้ตอนนี้แหละไม่ว่าทำอะไรก็ตามหรือไม่ว่าเจออะไรก็ตามปฏิบัติธรรมได้เลยและสถานที่ที่ดีนะที่ดีที่สุดกนะ็คือตรงนี้นะไม่ว่าตรงนี้มันจะเป็นวัดเป็นบ้าน กลางถนนนะโรงพยาบาลนะหรือว่าสาราสวดศพก็ปฏิบัติทำได้นะสรุปว่คือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำได้ทุกเวลาทําได้ทุกที่นะขอให้ทำก็แล้วกันแล้วก็เอาที่ปัจจุบันนั่นแหละนะไม่ต้องไปรอถึงวันข้างหน้าไม่ต้องไปรอสถานที่ข้างหน้าอยู่ตรงไหนทําตรงนั้นนะอยู่ ที่ไหนก็ทำที่นั่นเลยเอา้าวคำนี้ก็เพื่อเท่านี้นะกราบพระ